เรื่องความอัศจรรย์ของท่านพระอาจารย์มั่นปุริทัตโตเมื่อครั้งพุทธกาลขณะพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาแก่พุทธบริษัททั้งสี่นั้นทุกคนจะเงียบตั้งใจฟังโดยแต่ละคนสำคัญในใจว่าพระพุทธเจ้าเทศให้เราฟังเฉพาะใช้ภาษาของเรา อันนี้เป็นความรู้สึกของพุทธบริษัทเหล่านั้นซึ่งมีหลายชาติหลายภาษาท่านพระอาจารย์มั่นก็เช่นเดียวกันดังจะเล่าต่อไปนี้เมื่อท่านพระอาจารย์จาพรรษาอยู่วัดป่าบ้านหนองผือนั้นมีคนไทยเชื้อสายเวียดนามคนหนึ่งชื่อว่าอัมพรพงษ์เจริญเป็นบุรุษพยาบาลประจำโรงพยาบาลแขวงคาม่วนท่าแขกประเทศลาว เป็นชาวยวนอพยพมาอยู่ฝั่งโคนได้เปิดคลินิกรักษาคนไข้เคยมารักษาท่านพระอาจารย์เกิดความเลื่อมใสฟังเทศภาษาลาวและภาษาไทยได้ชัดเจนวันหนึ่งเธอพาลูกน้องมาสี่ถึงห้าคนเพิ่งอพยพมาใหม่พูดภาษาลาวไทยไม่เป็นมานั่งฟังเทศด้วยหลังฟังเทศจบก็กราบลากลับ ท่านพระอาจารย์พักเธอละคณะนั่งพักอยู่ผู้เล่าเดินไปหาเธอยกมือไหว้พร้อมคณะตามธรรมเนียมคนไทยเธอถามว่าท่านพระอาจารย์เป็นเวียดนามหรือเป็นไทยตอบว่าเป็นไทยแท้ร้อยเปอร์เซนต์เขาถามว่าแล้วทำไมท่านพูดภาษาเวียดนามได้ผู้เล่าตอบว่าไม่ทราบได้ยินแต่ท่านพูดไทย เขาบอกว่าก็ท่านเทศเมื่อกี้เนี่ยเทศภาษาเวียดนามทั้งนั้นพวกผมกำลังพูดกันเรื่องนี้อยู่ว่ารูปร่างหน้าตาผิวพรรณก็เหมือนเวียดนามกำลังสนทนากันอยู่ว่าท่านเป็นไทยหรือเวียดนามก็บอกเขาไปว่าเราก็ฟังอยู่ด้วยกันท่านไม่ได้เทศภาษาเวียดนามเทศภาษาไทยเขาตอบว่าแปลกนะ ผู้รู้ธรรมมีอัศจรรย์หลายอย่างเธอพูดมาอย่างนั้นอีกเรื่องหนึ่งที่วัดป่าบ้านหนองผือเหมือนกันโยมเง็กหงเป็นชาวจีนมาอยู่เมืองไทยพูดไทยได้สเปสปะมาฟังเทศพร้อมคณะชาวจีนเหมือนกันภาษาใช้อยู่กินธรรมดาก็สเปสปะภาษาธรรมะยิ่งแล้วใหญ่แต่ชอบทาบุญตามประเพณีไทย ะดูแล้งมาปฏิบัติธรรมเธอศีลพร้อมคณะกับท่านพระอาจารย์ทุกปีวันหนึ่งหลังจากฟังเทศแล้วเป็นนั่งสนทนากับพวกเพื่อนมาด้วยกันเขาพูดภาษาจีนสนทนาเรื่องธรรมะที่ท่านพระอาจารย์เทศผู้เล่าก็เดินไปพบนั่งนัดที่ควรแล้วโยมก็กราบถามว่าพูดกันเรื่องเทศพระอาจารย์เพราะท่านพูดจีนเทศภาษาจีนฟังเข้าใจดี ฟางพระในกรุงเทพเทศภาษาไทยไม่ค่อยเข้าใจเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าท่านพระอาจารย์มั่นเป็นคนจีนรูปร่างผิวพรรณหน้าตาก็จีนทั้งนั้นผู้เล่าจะตอบปฏิเสธก็เกรงว่าเขาจะหมดศรัทธาแต่ท่านเทศพวกอาตมาพระเ น, ยนโยมชาวบ้านท่านเทศไทยเขาพูดว่านั่นนาะภาษาไทยก็เก่ง ภาษาจีนก็เก่งนี่คือผู้ปฏิบัติรู้แท้เป็นเซียนองค์หนึ่งได้นี่คือคำพูดของโยมเง็กหงถ้าอยากรู้ประวัติของโยมนี้ถามได้ที่วัดอโศกการามได้ยินว่าท่านไปเป็นชีหมดอายุที่นั่น